ไม่เก่งไม่เป็นไรอย่าดื้อก็แล้วกันบางค น, นดื้อนะไม่ดือ้อไม่ไม่ติดเพลงไม่เจ้าความคิดเจ้าความเห็น mm. คนจีนหลวงพ่อก็เห็นใจนะมาไกลอยากได้ธรรมะเมื่อก่อนธรรมะก็เคยอยู่ในเมืองจีน ในการเมืองกระทบกระทั่งมากวุ่นวายเกิดสงครามบ่อยศา ส, สนาส่งอยู่ยากมันเป็นอย่างนี้ทุก ย, กยุคหละในเมืองไทยบางช่วงก็เกือบจะไม่มีพระเหมือนกันตอนรการที่หนึ่งตั้งกรุงเทพเที่ยวหาพระว่าพระเราสัมฤทธิ์มาตั้งแต่อยุธยาต่อธนบุรีลังกาเองนพระก็เคยขาดช่วง มาขอพระไทยพระพม่าอะไร่าเงี้ยพระมอนไอ่ี้ไปบวชให้เลยมีหลายนิกายพระก็ไปช่วยกันพระไทยก็ลงเรือสาเพาไปกลุ่มแรกให้ไปลังกาเรือแตกตายหมดเลยทีบนี้สองไปไปเผยแพร่สำเร็จญี่ปุ่นก็เอาไปจากเมืองจีน พรญี่ปุ่นมาเรียนที่เมืองจีนมาคันลอกพระไตรปิดกเขียนใส่ไม้ไผ่มันหนักเอาบรรทุกเรือกลับไปเจอพายุกับตันเรือมนันเอาไม้โดนทิ้งหมดเลยเพราะเรือหนักเกินท่านก็กลับมาที่เมืองจีนอีกมาลอกอีกรอบนะั่นยังธมาในี่ยมันข้ามไปข้ามมาแลกกันไปแลกกันมาช่วงไหนที่ตรงไหนแข็งแรงนะที่ตรงไหน ต้องการความรู้ก็ามาเรียนคนไทยเราอย่าทำซ่าวันหนึ่งเราอาจจะต้องบินไปเรียนที่เมืองจีนก็ได้นะไม่แน่หรอกโลกนี้เต็มไปด้วยของไม่แน่นอนดังั้นถ้าเราสามารถส่งทอดาศาสนาไปหลายๆประเทศได้จะดีมากพระเจ้าอโศกมองการไกลท่านเป็นคนแรกเลยที่คิดเรื่องนี้ ท่านมองการไกลท่านส่งสาศาสนาออกไปทางตวันออกม า, มาถึงสุวรรณภูมิเนี่ยทางตวนตกไปถึงอัฟกานิสถานไปเลยนู้นแพ่ออกไปที่หนึ่งหมดไปที่ที่อื่นยังเหลือก็อยังพอจะสบทอดได้เหมือนเวลาเราเวียนเทียนนะึออกไหมไฟของเราดับนะของคนอื่นยัมีเราก็รีบไปต่อมาไฟมันก็ยังไม่หมดไป แสงสว่างก็ยังไม่หมดจากโลกเงื่อนการเ e อื้อเฟื้อกันส่งทอดธรรมะแบบไร้พรมแดนดีที่สุดเลยพวกเราต่อไปวันข้างหน้าเราต้องไปเรียนจากที่อื่นนะถ้าเราไม่รักษาไว้ให้ดีทูกวันนี้สัทธธรรมปฏิรูป เ, เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยบางที่ดูดูเหมือนจะดีเอาเข้าจริงแล้วเลวไหลเลยตัดพระวินัยทิ้งบ้าง แก้ไขคำสอนบ้างยังดียนะั่งมีเสาหลักอยู่องค์หนึ่งนะคือท่านเจ้าคุณประยุทธ์เป็นเสาหลักของพระศาสนาในเมืองไทยอยู่เราไปดูเถอวะว่าท่านคัดค้นอะไรไว้บ้างท่านคัดคานอะไรไว้อันนั้นถูกต้องแน่นอนเลยที่ที่ท่านคัดค้านอนะ่ะถูกต้องนะไม่ใช่ว่า้ที่ทักถูกท่านค้านมันถูกนะ ท่านอุตสาห์นะท่านไม่สบายนะอุตสาห์เขียนหนังสือทรมานทาดขันมากเลยอุตสาห์ทำเพื่อจะรักษาพระศาสรมไว้พวกเราได้รับดอกผลมาจากที่บรรพบุรุษนะสืบทอดรักษาพระศาสนามาเราต้องเรียนนะเราสืบทอดศาสนาออไปให้ได้ช่วงแรกการที่หนึ่งเนะี่ยท่านพยายามรวบรวมพระไตรปิฎก ยำรวบรวมจากเมืองต่า ง, างๆเมืองนครเมืองอะไรที่ไม่เสียหายเอามาช่วยกันให้พระช่วยกันดูคัดลอกพระไตรปิฎกขึ้นมาน่าสัศจรรย์นะพระไตรปิฎกแต่ละชาติเนี่ยผิดกันไม่กี่คำรักษากันมาอย่างเข้มงวดมากเลยในทุกๆประเทศในเมืองจีนตอนนี้ก็มีพระไตรปิฎกนะแบบเทรวาี่ก็มีเหมือนกันด้วยกันที่หนึ่งท่านก็ให้พระสังคทานา รวบรวมประมวลขึ้นมาแล้วก็เขียนลงในสมุดคอยปกสมุดก็ปิดทองด้วยวก็ถือว่าเป็นของสำคัญคำภีประจำบ้านเมืองในเรียกพระไตรปิฎกฉบับทองทึบก็สร้างหอพระไตรปิฎกเก็บไว้ในหวังในวัดพระแก้วเมื่อฟ้าผ่าหรืออะไรเนี้ยไฟไหม้ไฟไห ม, ม้หอเก็บพระไตรปิฎก ทั้งเจ้าทั้งขุนนางทั้งไพร่นะช่วยกันบุกเข้าไปนะไปขนหนังสือนี่ออกมาแล้วท่านก็สร้างใหม่สร้างที่เก็บใหม่อีกเนี่ยรักษากันมานะกว่าจะได้มานะี่ยไม่ใช่ง่ายได้มาแล้วลรักษากาันต้องรักษากันแทบเป็นแทบตายมาถึงสมัยการที่ห้ามีการพิมพ์หนังสือขึ้นมาใจปิดกเขเลยกวางขวางออกไปก็เอาฉบับนี้มาพิมพ์แล้วนะกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยผ่าน ความยากลำบากมาตั้งสองพันกว่าปีร่อแหลมที่จะหายไปหลายครั้งทุกวันนี้ก็ร่อแหลมร่อแหลมมากเลยคนคิดจะเปลี่ยนคิดจะแก้เนี่ยมีมากเลยบางคนก็ตีความพระไตรปิฎกตามใจชอบการตีความพระไตรปิฎกเนี่ยมีการตีความไปแล้วนะโดยอัตถกาตาไม่ใช่มาตีความกันใหม่ ถ้าตีความกันใหม่จะเหมือนศาสนาคริสต์ตีความไปเรื่อยๆแต่นิกายไปเรื่อยๆงั้นเราอย่ไปเชื่อใครนะใครจะมาชวนเปลี่ยนพระไตรปดฎก่าตีความใหม่ๆให้มัเนี่ยเพีเพ้ยนเต็มไปหมดเลยซึ่งน่ากลัวมากเลยตีความว่าพระเจ้าไม่ให้ฟังคนอื่นเลยต้องฟังท่านคนเดียวท่านใช้ภาษาวกสอนเราตมไปในพระไตรปดฎกนั้นมีสาวกพาสิทิ์ตั้งเยอะนะี พระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านก็ประชุมกันรับรองกันไว้ะบางครั้งพุทธเจ้าท่านเหนื่อยท่านแก่แล้วนี่รับแขกทั้งวันท่านเมื่อยถึงเวลาสอนพระท่านก็ให้พระสาวกผู้ใหญ่ช่วยสอนท่านก็นอนอยู่ฟังข้างๆนะเอนหลังอยู่พักผ่อนแต่ไม่หลับหรอกคอยฟังพอแสดงธรรมจบสาบวกแสดงธรรมจบท่านลุกขึ้นมาอนุโมทนาว่าแสดงได้ดีอะไร เงี้ยท่านไม่ได้ใจแคบมาต้องเชื่อท่านคนเดียวนะเนี่ยศาสนาเราจะเพี้ยนก็เพราะไอ้นักคิดนักตีความนี่แหละน่า ก, กลัวมากเลยเลยคนโง่ไม่เรียนหนังสือไม่เรียนให้ดีแล้วก็เชื่อตามๆกันไปไม่ไหยนะกันตรงนี้พระเจ้าถึงบอกว่าคนที่ทําลายพระศาสนานได้เนะี่ยคือพุทธบริษัทคนข้างนอกมาทําลายไม่ได้พวกเราทําลายเองด้วยความเห็นผิดของเราด้วยจิตติมานะของเราเอง เงินต้องเรียนนะศึกษาเขาศึกษาได้แล้วลงมือปฏิบัติเราถึงจะรู้จริงเรียนอย่างเดียวยังไม่รู้จริงแต่ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้นะสำนักปฏิบัติมีเยอะแยะเลยมันปฏิบัติอะไรก็ไม่รู้มันก็อ้างว่าเนี่ยเป็นความรู้จากการปฏิบัติเห็นพระนิพพานเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเหลวแหลกที่สุดเลยเนะงั้นปริยัติเนี่ยขัดเกลารการปฏิบัตินะ เราเรียนปริยัตยิเรารู้หลักของการปฏิบัติที่พระเทเจ้าสอนให้ดีแล้วลงมือปฏิบัติเราจะเกิดความเข้าใจปริยัตยิที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเก่าครูบาอาจารย์ท่านสึงสอนบอกว่าปริยัตยิขัดเกลาการปฏิบัติปฏิบัติขัดเกล้าปริยัตยิมันช่วยหนุนช่วยเสริมกันขห้นไปเมืม่อวานหลวงพ่อพูดเรื่องสมาธินะภาพรวมๆที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยก็คือ เราจะต้องมาฝึกตัวเองมาขัดเกลารตัวเองเราขัดเกลาร่างกายนะกิริยาการทางร่างกายและวาจาด้วยศีลเราตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทําชั่วไม่เมียดเมียนคนอื่นทางกายทางวาจาตั้งใจว่าเราจะไม่ทําลายสติของตัวเองนี่คือเรื่องของศีลการทำลายสติด้วยการกินเหล้าเมายาเนี่ยเป็นกิริยาทางกายใช่ไหม ไปกินเหล้าไปเสพยาเสพติดเนี่ยใช้ร่างกายทำเลยจัดอยู่ในกลุ่มของศีลเป็นเรื่องการจัดระเบียบทางกายทางวาจาจัดระเบียบของใครของเรานี่แหละสี่ข้อแรกเนะี่ยไม่ไปรุกรานคนอื่นข้อสุดท้ายเนะี่ยไม่ทำร้ายสติของตัวเองนี่เป็นเรื่องทางร่างกายส่วนการขัดเกลาวทางจิตใจนะั้นมีสองส่วนนะขัดเกลาร่าวจิตใจให้มีความสุขมีความสงบ ให้มีความตั้งมั่นนี่เป็นเรื่องของสมาธิขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เกิดปัญญาให้ฉลาดรอบรู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นส่วนของวิปัสสนากรรมฐานเพงานทางใจมีสองงานคือสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรมากรมฐานกรรมฐานเป็นงานของใจศีลเป็นงานที่จิตใจเรานี่และตั้งความเจตนาไว้ที่จะไม่ทาความผิดทางกายทางวาจา ถ้าเราฝึกได้ดีพร้อมนะกายวาจาใจของเราต้องวุฒิงามมีสติมีปัญญาปล่อยวางไม่ยึดถือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดถือกระทั่งกายนี้ใจนี้ร่างกายนี้จะแก่ร่างกายนี้จะเจ็บร่างกายนี้จะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวเลยถึงเราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักจากสิ่งที่เรารักถึงเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักถึงเราจะต้องผิดหวังนะ มีความปรารถนาต่างๆมีความหวังต่างๆและไม่สมหวังคนอื่นเขาทุกข์กันเพราะความพลัดพลากจากสิ่งที่รักเพราะเจอสิ่งที่ไม่รักเพราะว่าไม่สมหวังแต่จิตที่อบรมดีแล้วมันไม่เริ่มแต่หวังนะไม่มีความหวังมันมีความอิ่มความเต็มอยู่ในตัวเองราะงั้นมันไม่มีควาว่าสมหวังผิดหวังอีกต่อไปแล้วเพราะมันเต็มซะแล้วคนที่มีความหวังได้เพราะใจมันหิว ใจมันมีความหิวอยู่ถ้าใจมันอิ่มใจมันเต็มนะมันสมหวังอย่เต็มที่อยู่แล้วมันไม่ได้ปรารถนาอะไรต่อไปแล้วเั้นไม่มีคําว่าพลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่มีคําว่าประสบสิ่งที่ไม่รักไม่มีคําว่าไม่สมหวังใจมันอิ่มซะและ้วะอย่างใจของเราไม่อิ่มเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขพอคนนี้พลัดพรากไปเราก็ไม่มีความสุขใจมันหิวไม่ว่าพึ่งคนอื่น ต้องมีทรัพย์สมบัติแบบนี้ถ้าไม่มีสมบัติแบบนี้เราจะมีความทุกข์ใจมันยังหิวอยู่อยู่สมบัติเนี่ยต้องมีชื่อเสียงเกียรติยศต้องมีนั่นต้องมีนี่ถ้าไม่มีแล้วมีความทุกข์ใจมันยังหิวอยู่แต่ใจที่อบรมดีแล้วมันมีสติปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วะมันอิ่มอยู่ในตัวเองมันไม่หิวเลยทั้งวันทั้งคืนเมื่อมันไม่หิวมันก็ไม่ต้องแสวงหาเมื่อไม่ต้องแสวงหามันก็ไม่มีคําว่าสมหวังคําว่าผิดหวัง การเจริญปัญญาเนี่ยจะทำให้ใจของเราอิ่มใจของเราเต็มหมดความอยากเมื่อวานสอนหลักของสมาธิไปด้วยว่าหลักของสมาธิเนี่ยอย่ามุ่งทำจิตให้สงบให้ทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไม่สงบจิตฟุ้งไปคิดให้รู้ทันจิตไหลไปเพ่งให้รู้ทันจิตจะไหลตลอดเวลาให้รู้ว่าไหลไม่ต้องไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปห้ามมันแค่รู้ทันมัน มันลงไปคิดรู้มันลงไปคิดก็รู้นะมันหลงไปเพ่งก็รู้เช่นเราดูลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจเรา know, รู้เราขยับมือทําจังหวะแบบหลงพ่อเทียนจิตไหลไปอยู่ที่มือเรารู้ตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลดีที่สุดเลยจิตไหลไปได้ด้วยความฟุง้งซ่านทันทีที่สติเกิดเรารู้ทันว่าจิตฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติจะเกิดขึ้นนี่เป็นวิธีที่ง่ายสุดๆเลยที่จะทําให้เกิดสมาธิ ลำพังจะเข้าฌานนะตังต้งแ ต, แต่มีบริกรรมภาวนานะจะต้องฝึกไปมากมายทํากันหลายปีบางคนตลอดชาตินะเข้าฌานไม่ได้หรอกมันต้องสะสมกันหลายชาติเลยลวเวลาไม่ต้องฝึกมากมายขนาดนั้นนะแค่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นขณะขณะไปแค่นี้ก็เหลือเฟือละคนที่บราารลุพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะมาด้วยคณิกะสมาธินะไม่ใช่ด้วยอุปจาระหรืออัปปนาสมาธิ ไม่ได้เข้าฌานพระสาวกส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะ้วพระเจ้าท่านเคยแจกแจงในภิกษุพระอราหันต์สาวกห้าร้อยองค์เนี่ยเป็นพระอราหันต์ที่ได้วิชาสามระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วล้างกิเลสได้สามประการพระอราหันต์อย่างนี้มีห0สิบองค์มีห0สบองค์จากห้าร้อยกี่เปอร์เซ็นต์ 12% พระอรหันต์ที่ได้อภินยาหกมีฤทธิ์หูทิพตาทิพอะไรอย่างเงี้ยรู้ใจคนอื่นพาาระอรหันต์พวกนี้ก็มี 12% เ์เหมือนกันมี60จากห้ารคนที่ได้วิชาสามได้อภินยาหกเนี่ยท่านเหล่านี้เล่นชานทรงฌานชำนิชำนานเลยจนถึงอภินยา จ, จิตเกิดขึ้นมีพาาระอรหันต์อีกพวกหนึง่ง เป็นอุพตัตรภาควิมุตตอุพตัตรภาควิมุตต์หมายถึงได้รูปประชันในขณะที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าอารูปประชันถ้านนี้ไมได้รูปพระลหันที่ได้รูปปรชนมี60ิองค์ 42. รวมกว่าพระลหันที่มีคุณสมบัติพิเศษมี 36% มนะมีแค่ 36% มอี6กสิคือคนอย่างพวกเหลานี้แหละ คนที่ใช้คณิกาสมาธินึงไม่ได้มีฌานเชิญในกับใครเขาหรอกงั้นอย่าไปหลงเชื่อทฤษฎีบา้บาๆบอๆนะว่าต้องเข้าฌานก่อนแล้วถึงจะทำวิปัสสนาได้พูดเอาเองทั้งสิ้นเลยพูดเราเองอ่ะพระอรหันต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาด้วยวิธีนั้นด้วยซ้ำไปงั้นเราไปด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะจะมาฝึกเข้าฌานก็ฝึกกันนานฝึกกันหลายชาติ ถ้าจะฝึกง่ายๆนะเราทํากรรมฐ า, านอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งก็รู้ทันให้รู้อย่างนี้พอรู้ทันว่าจิตไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตไหลนั่นไหลด้วยอํานาจของโมหะแหลมนนด้วยความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นโมหะอย่างหนึ่งฉั้นพอเรารู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านแล้วจิตก็สงบสมาธิก็ เ, เกิดเลย แต่เดี๋ยวก็ฟุงฟ้งอีกฟุ้งอีกรู้อีกก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งอีกก็รู้อีกก็สงบอีกงั้น attitude. ฟุ้งบ่อยๆ ย, ยิ่งดีฟุง้งเราก็รู้ฟุ้งเราก็รู้ไปต่อไปความรู้มันจะถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นแต่เดิมนานๆจะรู้ได้ทีหนึง่งพอหัด ร, รู้บ่อยๆนะต่อไปจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้มันจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นจนกระทั่งขยับคลิกนึงก็เห็นละคลิกหนึ่งก็เห็นนะอัตโนมัติเลยพอเราฝึกถึงขนาดที่จิตขยับเราก็เห็นนะ อันนี้จิตจะส่งมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันส่งอยู่ได้ทั้งวันเลครับนี้เราเดินปัญญาให้เต็มที่ละแต่ถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเราก็สงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้ที่หลวงพ่อสอนเคลื่อนเรารู้เคลื่อเรารู้เราจะได้สมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญาแต่ถ้าจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยเราทําสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยใช้วิธีน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุข เราเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเช่นเราพุโทโธพุโทโธแล้วมีความสุขเรารู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหรือเราดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขเวลาที่เราต้องการให้จิตพักผ่อนเราก็ทํากรรมฐานที่มีมความสุขนั่นแหละอจิตมันมีอารมณ์ที่มีความสุขจิตมันก็ไม่ฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์อื่นไม่หิวมันอิ่มอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนั้นจิตก็สงบเช่นพุโทโธพุโทโธยังมีความสุขนั้นจิตก็กอยู่กับพุโทโธไม่หนีไปไหน หายใจยังมีความสุขจิตแค่อยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนโดยไม่ได้บังคับถ้าบังคับแล้วจิตไม่มีความสุขการเข้าฌานนี่ห้ามบังคับเด็ดขาดเลยลเข้าฌานโดยการบังคับเป็นไปไม่ได้เลยมันแค่มนัสสิการแค่น้อมใจไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขนึกถึงปุ๊บก็ลงแล้ะอยู่ที่ความชํนานาญของเราแต่ถ้าเราไปเข้นจิตสงบสงบสงบยังเข้นเท่าไหร่ไม่สงบหรอกจิตไม่ชอบให้ใครบังคับ ถ้าเรารู้อารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบเลยอันนี้คือสมาธิชนิดไว้พักผ่อนเวลาที่เราทํากรรมฐานเห น, น, นื่อยหรือเราทํางานทางโลกเห น, น, นื่อยนะเรามาทําสมาธิให้จิตได้พักผ่อนเพราะร่างกายนี้พักผ่อนด้วยกันนอนจิตใจก็ต้องการพักผ่อนด้วยการทําความสงบนะยนั้นบางคนนอนนะแต่นอนแล้วก็ไม่หายเหนื่อยเพราะนอนแล้วใจฟุ้งซ่านตลอดเวลาเลยฝันนูนฝันนี่ตื่นมาเหนื่อยอยิ่งกว่าเก่าอีก งั้นเร า, าฝึกให้ใจมันได้พักผ่อนโดยการน้อมจิตสบายๆน้อมจิตะระลึกถึงอารมณ์ที่มีความสุขนะอันนี้จะได้ได้สมาธิชนิดพักผ่อนงั้นเวลาเราพอนาไปเนี่ยถ้าเมื่อไหรเราเหนื่อยนะเรามาทําสมาธิพักผ่อนแต่ถ้าเรามีเรี่ยวมีแรงแล้วอย่ามัวแต่พักผ่อนพักผ่อนมากไม่รวยหรอกก็ต้องทํามาหากินถึงจะรวยทําสมาธิพักผ่อนมากไม่เดินปัญญามไม่พ้นทุกข์หรอกอยากพ้นทุกข์ก็ต้องเจริญปัญญา แต่เจริญปัญญาโดยไม่ได้พักผ่อนเลยขึเหนื่อยตายยันถึงเวลาเราก็พักนิดหน่อยพอมีเรี่ยวมีแรงชุ่มชื่นใจเป็นเหมือนร่างกายเราทํางานหนักแล้วถึงเวลาเราก็พามันไปนอนบ้างอะไรบ้างให้มันได้พักผ่อนมันกมีแรงขึ้นมาทํางานอีกจิตใจนี้ก็เหมือนกันเวลาเจริญปัญญาไปมันเหนื่อยเราก็ให้มันพักผ่อนอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขเคล็ดลับของการทําความสงบเนยอยู่ที่รู้จักเรื่องอารมณ์ต้องดูตัวเอง ว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็ อ, อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆนะอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขเพะนั้นพอเรารู้ลมหายใจจิตมีความสุขจิตสงบทันทีเลยนะอย่าไปอย่างรวเดียวไม่ต้องเค้นให้สงบถ้าเค้นบังคับให้สงบจะไม่สงบนะนี่พอจิตใจเรามีเรื่องมีแรงแล้วนะไม่ขี้เกียจเราก็มาฝึกต่อจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมา จิตตั้งมั่นแล้วเราก็ถึงงานสุดท้ายคืองานเจริญปัญญาฝึกให้จิตฉลาดม magical, so ิธีฝึกให้จิตฉลาดไม่ใช mm. ่นั <h ides> <h ides> <h ่งคีดเอานั่งบ่นนั่งสอนมันไม่ใช่มิธีฝึกให้จิตฉลาดนัคือพาจิตให้ดูความจริงพาจิตให้ดูความจริงของร่างกายพาจิตให้ดูความจริงของจิตใจตัวเองพาจิตให้ดูความจริงของร่างกายเราก็เห็นร่างกายนี้เดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายนี้ก็เดี๋ยวก็หายใจเข้า ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าได้เนี่ยเมื่อเราได้ฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วพอมาดูร่างกายพวกมันจะเห็นว่าร่างกายเป็นของถูกดูร่างกายที่ถูกดูอยู่ไม่ใช่ตัวเรามันอย่างพัดเนี่ยพัดเนี่ยพวกเราเห็นไหมพอเราเห็นพัดเนี่ยพัดนี่ถูกเรารู้ถูกเราดูใครไปเห็นว่าพัดเป็นตัวเราก็บ้าแล้วละ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอก่ย หรื อ, อย่างหลวงพ่อเนี่ยพวกเราเห็นหลวงพ่อใครคิดว่าตัวเองเป็นหลวงพ่อบ้างถ้คิดอย่างนั้นก็ต้องไปหาหมอโรคจิตละใช่ไอะไรที่ถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราอยู่โดยอัตโนมัติแล้วละของง่ายๆท่าทนิ่งงั้นเรามีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจไม่หลงไปใจที่เป็นผู้รู้เนี่ยมันตรงข้ามกับใจผู้หลงส่วนใหญ่จะหลงไปคิดงั้นใจหลงไปเรารู้หลงไปเรารู้เราก็จะได้ใจที่เป็นผู้รู้ เม whoever, you your employer, your you ื่อมีใจเป็นผู้รู้แล้วดูกายมันทํางานก็ได้ดูใจมันทำงานก็ได้ดูอะไรก็ได้แล้วแต่ถนัดถ้าดูกายทํางานก็เห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งดูไงก็ได้นะดูอยู่ในร่างกายเนี่ยก็จะเห็นนลยมันเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าทําไมมันต้องหายใจออกเพรามันทุกข์ทำไมมันต้องหายใจเข้าเพราะมันทุกข์ ทำไมมันต้องเปลี่ยนอิธิยาบทก็เพราะมันทุกข์ทำไมเรานั่งแล้วต้องขยับไปขยับมาเพราะมันทุกข์มันเมื่อยเราหายใจออกเราก็ทุกข์นะเราหายใจออกยาวๆสิจะทุกข์มากเลยเราต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ความทุกข์ของการหายใจออกเรหายใจเข้านานๆเราก็ทุกข์นะเราก็ต้องหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าทุกลมหายใจเรามีความทุกข์ตามหลังอยู่ตลอดทุกอิธิยาบทก็มีความทุกข์ตามบีบคั้นอยู่ตลอดมันไล่มาตลอดเวลา นั้นร่างกายนี้เต็ไมไปด้วย่องทุกข์ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราด้วยมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่พอเห็นอย่างนี้นะต่อไปใจมันจะหมดความยึดถือในร่างกายเมื่อเราหมดความยึดถือในร่างกายแล้วต่อไปร่างกายแก่เนี่ยจิตใจไม่หวั่นไหวทำไมไม่หวั่นไหวก็มันรู้อยู่แล้วไอ้ก้ า, กางไกคือตัวทุกข์ตัวทุกข์มันแก่ก็สมน้าหน้ามันแล้ว ร่างกายจะเจ็บจิตก็ไม่หวั่นไหวทําไมไม่หวั่นไหวก็มันรู้อยู่แจ่มแจ้งนะร่างกายเป็นตัวทุกตัวทุกมันทุกก็เป็นเรื่องปกติร่างกายนี้จะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะร่างกายนี้เป็นตัวทุกตัวทุกตายเสียได้ก็ดีเหมือนกันใจไม่หวั่นไหวงั้ไม่ว่าจะแก่จะเจ็บจะตายนะจิตใจไม่หวั่นไหวนี่ถ้าเรามาหันดูความรู้สึกในใจบ้างดูจิตดูใจนะเช่นเราก็จะเห็นเนละจิตใจเราเดี๋ยวก็มีความสุข เดี๋ยวความสุขก็หายไปจิตใจมีความทุกข์เดี๋ยวความทุกข์ก็หายไปจิตใจดีเดี๋ยวก็ดีหายไปเช่นเดี๋ยวก็ขยันภาวนาขยันได้พักเดียวก็ขี้เกียจล้วความดีหายไปละหรือจิตใจเดี๋ยวก็โลภความโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปจิตใจเดี๋ยวก็โกรธความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายจิตใจเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านจิตใจเดี๋ยวก็หดหู่แต่ไม่ว่าจิตใจจะเป็นอย่างไรอยู่ชั่วคราวก็หายทั้งสิ้น เนี่ยเราพาจิตให้ดูความจริงของจิตใจนะพามันรู้ว่าพามันดูไปด้วยเห็นจิตใจมันทำงานต่างๆนานาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่ทุกอย่างไม่คงที่เลยมีแต่ความไม่เที่ยงแล้วมันทํางานได้เองสุขมันก็สุขของมันเองสั่งให้สุขก็ไม่ได้ทุกข์มันก็ทุกข์ของมันเองห้ามทุกข์ก็ไม่ได้ดีก็ดีของมันเองสั่งให้ดีไม่ได้ดีแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ มันจะชัว่วมันจะมีกิเลสนะมันก็มีกิเลสขึ้นมาเองมันโกรธได้เองมันโลภได้เองมันหลงได้เอ ง, เ, องเราจะไปห้า ม, มาให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วจะไล่ให้หายโกรธเร็วๆก็ไม่ได้สร้างอะไรไม่ได้สักอย่างตรงที่เราเห็นความจริงว่ามันมีแล้วมันก็หายไปเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เราเห็นว่าเราสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเนี่ยเรียกว่าเห็นอนัตตาเพะฉะนั้นเวลาเราดูร่างกายแล้วไปเห็นร่างกายนี้เป็นความทุกข์มีความทุกข์บีบคั้นมาก ร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้มเป็นวัตถุเป็นของภายนอกที่จิตไปรู้เข้าพอมาดูจิตใจจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไปอีกแบบหนึ่งอนัตตามีหลายแบบคําว่าอนัตตานะแต่ได้ตั้งห้าแบบลัก5ลักษณะอย่างร่างกายเนี่ยเป็นอนัตตาเห็นทนโทษ อ, อยู่แล้วไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุจิตใจนี้ก็เหมือนกันจิตใจเราสั่งไม่ได้น สั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจ บ, บังคับเมาเรียกว่านัตตาเหมือนกันถ้าเราเห็นว่าจิตใจเป็นนัตตานะสุขทุกข์ดีชั่วทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจนะไม่เที่ยงเป็นนัตตาถ้าเราเห็นความจริงอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเราพลาดพลาดจากคนที่เรารักเนะี่ยเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรารู้ว่าความสมหวังเขาเป็นของชั่วคราวนะอย่างคนที่เรารักเนี่ยอยู่ๆก็ตายไปคนทั่วไปเขาเป็นทุกข์นะ แต่เราภาวนาของเราดีแล้เรารู้เลยว่าเวลาคนที่เรารักอยู่ด้วยกันเนี่ยนะบางคนก็เลิกรักไปก่อนแล้วก็จากกันไปบางคนจากไปทั้งๆ ท, ท, ที่ยังรักอยู่รักหรือไม่รักมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวมันไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกนี่ความรักเกิดขึ้นเรารู้ว่าความรักเกิดขึ้นความรักก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงอยู่ชั่วคราวล้วก็หายไปความทุกข์จากการพลัดพรากจากความรัก ก็เป็นของชั่วคราวอยู่แล้วชั่วคราวก็หายไปใครเคยอกหักบ้างยกมือสิเวลาอกหักจำได้ไหมทุกมากนะอกหักครั้งที่หนึ่งะทุกมากเหมือนโลกจะแตกเลยโลกไม่เป็นสีชมพูแล้วโลกดำมืดมีความทุกมากเหมือนก็นจะไม่ผ่านสุดท้ายก็ผ่านใช่ไหมถึงวันนี้บางคนนึกย้อนหลังไปโหบุญมากเลยที่ไม่แตกกับอีแก่คนนี้ ตอนนั้นมันสาวอยากแต่งกับมันนะมันไปแต่งกับคนอื่นเราก็อยู่ของเรามาเนี่ยโหตอนนี้ใหญ่คนนี้นะั้นดูไม่ได้เลยคิดดูถ้าเราต้องเห็นอสุภะกรรมาฐานตลอดวันเราจะรู้สึกยังไงเนี่ยจะรู้สึกดีใจก็ได้นะนะความรู้สึกในใจเนยนะถ้าเราพาวนานดีๆนะเราจะไม่หวั่นไหวกับการที่จะพลัดพรากเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะรู้สึกว่าธรรมดา เราไม่หวั่นไหวที่เราต้องเจอสิ่งไม่ดีเป็นบางครั้งบางคราวเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเราจะไม่หวั่นไหวกับความสมหวังความผิดหวังนะเพราะเราไม่ได้มีความหวังไม่มีความหวังไม่ใช่สิ้นหวังนะไม่ใช่ชีวิตนี้โฮเบสหมดสภาพไม่ใช่มันไม่มีความหวังเพราะมันอิ่มซะแล้วใจมันอิ่มซะแล้วมันไม่ต้องการอะไรเนี่ยใจมันเต็มมันมีความสุขอยู่ในตัวเองทุกวันนี้ทําไมเราต้องไปหาคนอื่นเพราะใจเราไม่อิ่ม เราไปหาเข้าแล้วหวังว่าเราจะมีความสุขมช่ไหทำไมเราต้องไปเที่ยวที่นี่ทำไมต้องกินอันนี้ทำไมต้องใส่เสื้อผ้าอย่างนี้ทำไมต้องใช้รถยนต์ยี่ห้อ น, นี้ทำไมต้องใช้มือถืออย่างนี้นะเพราะใจเรามันไม่อิ่มเราคิดว่าถ้าได้อันนี้มาเราจะอิ่มเราจะเต็มแต่ได้มาแป๊บเดียวเราก็หิววันใหม่ละเพราะนั้ในใจเราเนี่ยพล่องอยู่เป็นนิดนะหิวอยู่ตลอดเวลาแต่ ใ, ใจของคนที่ฝึกดีแล้ว ใ, ใจพระลรหันนะะมันอิ่มมันเต็มนะมันไม่หิว เมื you, me. sword, ng, at, ่อไม่หิวไม่ได้มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากมันก็ไม่มีคําว่าสมอยากหรือไม่สมอยากไม่มีความหมายอะไรเลยมันเต็มอยู่ในตัวเองนี่เรามาฝึกนะฝึกเจริญปัญญามาเห็นความจริงของร่างกายมาเห็นความจริงของจิตใจวันหนึ่งใจเราจะเต็มอิ่มอยู่ในตัวของเราเองอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจะแก่จะเจ็บจะตายจะพลาดพลาดจะสิ่งที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักจะไม่สมหวังอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเลย หายใจออกหายใจเข้าก็มีแต่ความสุขของเราอยู่ยงนั้นเองมีเสวยวิมุตติสุขเสวยความสุขจากความหลุดพ้นของเราอยู่ค่อยฝึกไปนะถึงดูว่าห่างไกลที่จริงไม่ไกลมากครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อว่าถ้าภาวนาจริงๆไม่นานหรอกใช้เวลาไม่นานหรอกนะวงเล็บไม่เกินเจ็ดชาติก็ได้แล้วอะไรอย่างนี้นะท่านว่ายอย่างนี้นะ เจ็ดชาตินิดเดียวนะเพราะเราเนี่ยเวียนว่ายเกิดมากมายในกับหนึ่งกับหนึ่งนะเราเวียนว่ายไตเกิดกระดูกเรากลองมากกว่าภูเขาทั้งภูเขาอีกนะเงินเจ็ดชาตินี่เรื่องเล็กมากแล้วพวกเราที่สนใจการภาวนาขนาดนี้ไม่ใช่ชาติแรกหรอกนะเงินอดทนนิดหนึ่งขยันนิดหนึ่งให้เวลาการฝึกตนเองฝึกกายวาจาด้วยศีลฝึกใจ ให้สงบด้สมถะกรรมฐานแล้วก็วิปั ส, สนาให้ปัญญาสมถะฝึกใจให้สงบมิปั ส, สนาฝึกใจให้เกิดปัญญาให้ฉลาดสงบแล้วโง่ก็ไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ก็ดีกว่าฟุ้งซ่านสงบแล้วโง่บางทีน่ากลัวเหมือนกันนะพวกเตจสมาธิบางทีมันเพียเพ้ยนๆแปลกๆเรามาพัฒนาตนเองนะสุดท้ายแล้วมันจะดีกายว่าจใจใจดีงดงามมีความสุขอยู่ในตัวเอง เป้าหมายสูงสุดของเราคือเราพ้นจากทุกสิ้นเชิงพ้นจากทุกสิ้นเชิงนะชีวิตที่เหลืออยู่ขันที่ยังเหลืออยู่ช่วงตลอดเวลาที่ขันยังเหลืออยู่เราก็มีชีวิตแบบที่เป็นอิสระโปร่งเบามีความสุขอยู่ในตัวเองงั้นไปฝึกนะตั้งใจเข้าต่อไปไปกินข้าวนี่มดเลยครับ